ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่30สิบก็คุยกันต่อเรื่องไตสิกขาเนี่ยก็เคย <c oughs> พูดโยงจากเรื่องอื่นมาตอนต้นแต่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าพูดไปแค่ไหนถ้าพูดไปมากแล้วก็อาจจะซ้ำแต่ถ้าจะไม่พูดถ้าเกิดยังไม่ได้พูดก็จะขาดไป นั้นถ้าซ้ำก็ถือเป็นว่ามาทวนกันละกันก็เค<อ>ยแยกไว้แล้วบอกว่าการดำเนินชีวิตของเรานั้นก็มีสามด้านมีพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ปัญญาซึ่งสัมพันธ์กันอยู่แยกจากกันเด็ดขาดไม่ได้เพราะว่าเราจะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็พูดจาอย่างไร ก็ต้องออกมาจากความตั้งใจมีเจตนาแล้วก็มีแรงจูงใจอยู่เบื้องหลังมีความอยากความปรารถนาความรู้สึกต่งตางๆเคลื่อนไหวากายและกล่าววาจาไปตามนั้นอั mm hmm. นนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าพฤติกรรมมาจากจิตใจนอกจากนั้นจะพูดอะไร แล้วจะเคลื่อนไหวทําอะไรได้แค่ไหนก็อยู่ที่ปัญญาที่มีความรู้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมก็ต้องออกมาจากปัญญาอยู่ในขอบเขตของปัญญาส่วนจิตใจเองก็ต้องอาศัยปัญญาปัญญามีความรู้เข้าใจมองสิ่งต่างๆอย่างไรมองได้ความเข้าใจอย่างไรก็จะมีผลต่อความรู้สึกในทางจิตใจน หรือถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเช่นไม่รู้จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรมันคืออะไรก็จะอึดอัดบีบคั้ น, นก็เกิดความทุกข์เพราะนั้นปัญญาก็จะมีผลต่อจิตใจถ้าปัญญารู้เข้าใจดีก็จะทำให้จิตใจโ ล, งลง่งโปร่งกว้างขวางอันนี้จิตใจเองก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาว่าถ้าหากว่าจิตใจ เข้มแข็งมีความเพียรมีความอดทนเป็นตน้นก็จะทำให้สามารถใช้ความคิดได้ดีจิตเป็นสมาธิจิตแน่วแน่ก็ยิ่งคิดอะไรต่ออะไรได้แจ่มชัดแล้วก็ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นสภาพจิตใจก็มีผลต่อปัญญาหรือว่าจิตใจที่ดีก็ช่วยหนุนการพัฒนาปัญญา แล้วก็พฤติกรรมก็มาหนุนปัญญาว่าถ้าเรามีพฤติกรรมที่ดีมีการเคลื่อนไหวใช้กายได้ถูกต้องใช้วาจาได้ดีเช่นในการพูดจารู้จักไถ่ถามนีรู้จักสนทนาเป็นต้นมันก็เป็นทางของการพัฒนาปัญญามันเปิดช่องให้กับปัญญาในก็เหมือนกับว่ากายวาจานี่เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ของจิตใจและปัญญา อย่างที่คนโบราณก็บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นเบากายรวมทั้งวาจาด้วยเนี่ยก็รับใช้จิตใจแต่ว่าที่จริงไม่ใช่แค่จิตใจละรับใช้ปัญญาสิสาคัญ เ, เวลาเราพูดว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยคำว่าจิตเ น, นี่ยที่เน้นก็จะรวมไปถึงปัญญาด้วยโดยเฉพาะปัญญาจะเป็นตัวสำคัญที่ใช้ร่างกายและวาจาเพราะว่า ความคิดความตั้งใจก็อย่างที่ว่ามันไม่ได้มีเปล่าๆมันอยู่ที่ว่ามีความรู้แค่ไหนความตั้งใจมันก็จะไปตามปัญญาอีกทีก็ใจนั้นทำอะไรได้ภายในขอบเขตของปัญญาเพราะฉะนั้นมันก็สัมพันธ์กันหมดแหละแปลว่าสามด้านของชีวิตนี่แยกกันไม่ได้นี่เราก็ต้องฝึกทั้งพฤติกรรม ให้ดีขึ้นจิตใจดีขึ้นปัญญาดีขึ้นแล้วสามอย่างมันจะมาหนุนกันให้ชีวิตเจริญงอกงามให้ดีไปได้วยกันหมดอันนี้การฝึกในด้านพฤติกรรมนี่ก็เรียกว่าศีลนะแล้วฝึกในด้านจิตใจก็เรียกว่าสมาธิแล้วฝึกในด้านปัญญาไทยเราที่จริงก็ฝึกในด้านความรู้ความเข้าใจและเรียกว่าปัญญานะไทยเราก็เลยใช้สั์ ของบาลีไปเลยว่าปัญญาพฤติกรรมจิตใจและปัญญานี่เป็นเรื่องของชีวิตของเรานะเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็อยู่ในฝ่ายธรรมะนี่ที่เราพูดไปแล้วนี่เรื่องวินยัยวินัยเป็นเรื่องของการจัดสรรภายนอกนะเป็นเรื่องของมนุษย์จะมาตกลงกันจะเอาอย่างไรอันนี้พอมาใช้ วินัยมาฝึกคนมันเข้ามาเกิดผลต่อพฤติกรรมมันก็เข้ามาสู่ด้านธรรมะนะแล้วพอฝึกด้านพฤติกรรมนั้นก็เป็นการฝึกด้านจิตใจและปัญญาไปด้วยอย่างที่พูดเมื่อวานฉันอยางยกตัวอย่างง่ายๆแค่ว่าเราจะทําอะไรตามข้อกําหนดที่เรียกว่าวินัยเนะี่ยจิตใจของเราต้องมีความตั้งใจนะต้องรู้จักบังคับควบคุมใจของตัวเองมีความอดทน แลมีความเพียรและมีความตั้งจิตตั้งใจต่อข้อกำหนดกฎเกณฑ์กติกานั้นถ้าตั้งความรู้สึกไว้ไม่ดีเป็นบังคับนก็จะรู้สึกเป็นทุกข์จงใจเนี่ยแสดงว่าผลต่จิตใจเกิดถ้าตั้งจิตใจไว้ดีว่าเออมีความพอใจว่าจะได้ฝึกตัวเองอ้าวก็เกิดความสุขความพอใจสภาพจิตก็จะมีผลไปอีกแบบหนึ่ง แล้วก็ในการที่เราจะฝึกได้เราปฏิบัติตามข้อกําหนดตามกติกาเราต้องเรียนรู้มันนะเราเรียนรู้กติกาข้อกําหนดเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรตลอดจนถ้าหากว่าให้ดียิ่งขึ้นก็รู้เหตุรู้ผลรู้ความมุ่งหมายรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตามรู้โทษของการที่จะฝ่าฝืนปัญญาก็จะเรืองงองามใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของวินัยเนี่ย มันก็เป็นการฝึกที่มุ่งด้านพฤติกรรมก็จริงแต่ส่งผลไปถึงจิตใจและปัญญาหมดนี่เป็นเรื่องที่พูดเมื่อวานว่าด้านวินัยซึ่งเป็นเรื่องการจัดตั้งวางระเบียบระบบแบบแผนของมนุษย์นี่นะก็ส่งผลมาด้านธรรมะแปลว่าเป็นความสัมพันธรรนร์ระหว่างวินัยกับธรรมะครั้งหนึ่งตอนแรกเราวางวินัยจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตอันนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เอามา เป็นฐานในการจัดตั้งวินัยเสร็จแล้วพอจัดตั้งวินัยเสร็จวินัยนี้กลับมาฝึกมนุษย์ส่งผลกลับมาที่ธรรมะคือระบบชีวิตกระบวนการของชีวิตทางพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเพราะเข้ามาด้านการฝึกพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเป็นอันว่าเข้ามาด้านธรรมะอีกนะฮะจากวินัยส่งผลย้อนกลับมาธรรมะที่การฝึกแต่ละอย่างนี้เราเรียกว่าศิกขาอย่างที่ว่าไปแล้วนี่การฝึก ได้พฤติกรรมเรียกว่าศีลฝึกด้านจิตใจเรียกว่าสมาธิฝึกได้ความรู้ความเข้าใจเรียกว่าปัญญาก็เป็นศิกขาสามฝนะึก3าด้านก็เรียกว่าใจสิกขาใจสิกขาอันนี้ด้านศีลนถ้าเรียกชื่อให้เต็มเรียกเป็นทางการก็เรียกว่าอธิศีลและสิกขาแปลว่าฝึกนะสิกขาก็คือฝึกในด้านศีลให้ยิ่งขึ้นไป แล้วก็อธิจิตตสิกขาแปลว่าฝึกในด้านจิตให้ยิ่งขึ้นไปได้เห็นมาชื่อแต่เรียกเป็นการง่ายๆคำเดียวว่าสมาธิแต่พอเรียกเป็นสิกขาต้องเปลี่ยนไปนเรียกอธิจิตตสิกขามีคําว่าจิตไม่ใช่คําว่าสมาธิและเพราะที่จริงมันหมายถึงฝึกด้านจิตทั้งหมดแล้วก็อธิปัญญาสิกขาก็แปลว่าฝึกด้านปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปอธิตัวนี้ก็แปลว่ายิ่งขึ้นไป แต่บางทีท่านก็อธิบายว่าที่ว่าอธินี่หมายถึงขั้นสูงขั้นที่มันถูกต้องตามพามุ่งหมายเช่นว่าอธิศีและศิขาเนี่ยฝึกด้านศีลหรือด้านพฤติกรรมที่จะเป็นอธิได้นี่หมายความว่ามันต้องเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดเป็นไปเพราะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเช่นว่าฝึกด้านศีลเนี่ยเรามีการรักษาศีลแม้แต่ศีลห้า หรือสูงขึ้นไปเป็นศีลแปดบางคนรักษาได้ไม่เข้าใจนะรักษาศีลโดยอย่างมุ่งจะไปเกิดในสวรรค์นะเรือกว่านึกว่าจะได้เป็นโชคลาภนะถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยยังไม่เป็นอาทิศีลใช่ถ้าจะเป็นอาทิศีลก็หมายความว่ามันเข้าสู่กระบวนการที่ว่าศีลที่เราฝึกดีแล้วพฤติกรรม ของเราดีแล้วเนี่ยมันจะมาเกื้อหนุนให้เราพัฒนาจิตใจต่อไปได้อย่างไรไปสู่จุดหมายของไตรสิกขาถ้าอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นอธิสีลิสิกขาหมายความว่าเป็นการฝึกศีลที่มันถูกต้องนะ่ะเข้าสู่แนวทางเข้าสู่กระบวนการที่แท้ไปสู่จุดหมายเรียกว่าเป็นอธิศีลแต่เอากันง่ายๆก็แปลว่า ฝึกศีลดิ้งขึ้นไปฝึกสมาธิฝึกจิตยิ่งขึ้นไปฝึกปัญญายิ่งขึ้นไปก็เลยการ น, นี่แปลแบบง่ายๆนะฮะเรียกกันสั้นๆก็แค่ว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้ด้านพฤติกรรมนี่ก็มาทวนกันอีกนิดหน่อยว่าด้านพฤติกรรมก็ได้แก่เรื่องของการแสดงออกทางกายวาจาของเราเนะี่ย ด้านพฤติกรรมก็มีกายกวับวาจาร์การเคลื่อนไหวร่างกายมือเท้าเป็นต้นนะแล้วก็วาจาร์การกล่าวถ้อยคำสองอย่างเนี่ยนีกายวาจาร์ของเรานี่ที่แสดงออกไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกเพื่อให้เราดำรงชีวิตไปได้โดยดี ถ้าเราใช้พฤติกรรมไม่ดีเราจะดําเนินชีวิตไม่ได้ ด, ดีจะเกิดความสัมพันธ์กับโลกภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเสียหายขัดแยง้งเกิดผลร้ายกับตนเองและกัสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นนี้สิ่งแวดล้อมก็มีสองด้านสิ่งแวดล้อมประเภทผู้คนด้วยกันเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมในเป็นศัพท์สมัยใหม่ก็คือมนุษย์ด้วยกันแต่สมัยก่อนนั้นก็รวมทั้งสัตว์ด้วยนะ สัตว์อื่นน่ยสัตว์ยีราชนที่จริงคำว่าสัตว์นี่ก็หมายถึงมนุษย์ด้วยอยู่แล้วในภาษาพระภาษาพระเนี่ยคำว่าสัตว์เนี่ยเน้นที่ตัวคนนะแต่ว่าภาษาไทยเวลาพูดว่าสัตว์เนี่ยเรามักจะเว้นคนใช่ไหมเราไปนึกถึงสัตว์ยีราชน์แต่ภาษาพระนี่สัตว์เนี่ยมุ่งที่คนก่อนอื่นพราะนั้นคนไทยไปเรียกมนุษย์เป็นสัตว์เขาก็ชักโกรธ แต่ที่จริงภาษาพราณนั้นสัตมนี่แหละมนุษย์ก่อนอื่นเลยเช่นอย่างพระโพธิสัตว์ไงใช่ไหมพระโพธิสัตว์นี่แม้คนที่ประเสริฐเดชธรรมใช่ไหมเราเรียกว่โพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ผู้มุ่งต่อโพธินี่หรืออย่างพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะสัพพาลีก็เรียกว่ามาหาสัตว์มาหาสัตว์นี่ก็เท่ากับคำคล้ายๆคําว่า ม, า ม, ม, ามาหาบุรุษนั่นเอง มหาสัตว์มันคิดสิฮะสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมมาเรียกเป็นภาษาไทยสิโกรธเลยเนี่ยเพราะนั้นภาษาบาลีเนี่ยคำว่าสัตว์นี่มุ่งที่คนเป็นสําคัญแล้วสัตว์อื่นก็เป็นตัวประกอบพวกช้างม้า ก, ก็เป็นสัตว์แต่พระพรหมและเทวดาทั้งหลายก็เป็นสัตว์เช่นเดียวกันใช่มเพราะนั้นภาษาไทยนี่ก็แม้แต่สัตว์ธรรมดานี่ก็ความหมายก็ ไม่ค่อยจะตรงกับเดิมแท้ในภาษาบาลีถ้าใครไปเรียกพระพรหมก็สัตว์คนที่นับถือพระพรหมก็โกรธเอาใช่ไหมเทวดาก็เป็นสัตว์พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็สัตว์อยู่แล้วบอกอยู่แล้วมหาสัตว์อะไรอย่างนี้นะอันนี้ว่าพฤติกรรมของเรานี้ก็ไปสัมพันธ์กับสัตว์อื่นนะตั้งแต่คนด้วยกันเป็นต้นไปนี่ก็เราก็เรียกกันภาษาปัจจุบันว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะเรา ไปเคลื่อนไหวร่างกายของเราไปจับมือถือแขนเขาหรือไปอุ้มไปช่วยประครับประคองไปนวดไปฟันใช่ไหมหรือจะไปตีเขาประทุษร้ายเขานะหรือว่าใช้วาจาก็ไปพูดกับเขานะพูดดีพูดร้ายอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมนี่เป็นด้านศีลเท่านั้นนะหรือว่าต่อไปก็สิ่งวดล้อบอื่นนอกจากมนุษย์หรือสัตว์อื่นแล้วก็ สิ่งแวดล้อมอีกประเภทหนึ่งที่เราจะเอากายบาดจาบเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นนอกจากมนุษย์สัตว์ก็คือพวกวัตถุธรรมชาติอื่นๆต้นไม้ภูเขาดินน้ำลมไฟน่ตึกบ้านเรือนถนนหนทางก็ใกล้ตัวที่สุดก็ปัจจัยสี่ตั้งแต่อาหารเป็นต้นไปอาหารเครื่องนุ่หมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่เป็น ความสัมพันธ์ของเรากับพวกวัตถุสิ่งของอย่างแรกเลยตลอดจนปัจจุบันก็เทคโนโลยีทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะมีพฤติกรรมปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติต่อมันดีก็ได้ผลดีปฏิบัติต่อมันไม่ดีก็เกิดผลเสียกับชีวิตของตนเองเช่นพฤติกรรมในการกินอาหารก็คือสัมพันธ์กับอาหารถ้ากินไม่เป็นก็เกิดโทษต่อชีวิตร่างกายถ้ากินเป็นก็ได้ผลดีก็สุขภาพแข็งแรงก็หนุนต่อ ชีวิตนะอย่างนี้เป็นต้นนี่การฝึกในเรื่องนี้ทั้งหมดในพฤติกรรมกายวาจาที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็ดีทางวัตถุต่างๆที่เรียกภาษาเป็นวิชาการเรียกว่าทางกายภาพก็ดีเนะี่ยตั้งแต่ปัจจัยสี่เป็นต้นไปเนี่ยเป็นศีหมดเลยนะฮะกว้างมาก อันนี้ทำไมจึงใช้คำว่าศีลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาคำว่าศีลเนี่ยพระท่านจะบอกว่าแปลว่าปกติปกติก็หมายความว่ามันเป็นของสามัญธรรมดาเคยชินนั่นเองนะหมายความเป็นปกติของเขาอย่างนั้นคำว่าปกติในภาษาไทยก็อาจจะเกิดความเข้าใจคล้ายขได้ก็แล้วปกติ หมความไม่ใช่ของพิเศษอย่างนี้ความหมายอย่างหนึ่งใช่ไหมปกติในความหมายที่ว่าว่าเขามีอย่างนี้เป็นปกติเขาจะทําอย่างเงี้ยเป็นปกติเนีเช่นเขาเดินเขาก็เดินก็ย่องก็แย่งเป็นปกติของเขาเนี่ยหรือเขาเดินเร็วเป็นปกติของเขาเนี่ยเขาเดินหน่วยหน้าเป็นปกติของเขานี่ปกติอย่างเงี้ยข้ายใช่ไหมฮะนี่นปกติอย่างนี้เรียกว่าศีลคือหมายความว่า มันเคยชินอย่างนั้นเคยชินเป็นอยู่ตัวเลยเป็นพฤติกรรมอยู่ตัวเคยชินของเขาเราเรียกกับปกติแต่ว่าในที่นี้เพราะมาเป็นเรื่องของการฝึกนะเป็นศิกขาแล้วท่านหมายถึงพฤติกรรมเคยชินหรือเป็นปกติที่ดีนะไม่ได้หมายเอาด่านร้ายหมายความว่าฝึกให้มันเป็นพฤติกรรมที่ดีจนเคยชินจนเป็นปกติไปเลย ให้พฤติกรรมที่ดีเนี่ยเป็นปกติของเขาไปเลยมันอยู่ตัวนั่นเองถ้าพฤติกรรมอะไรอะไรเราประพฤติได้อย่างนั้นมันก็อยู่ตัวใช่ไหมอ่าตอนแรกเราไปเจออะไรเราจะทําอย่างไดอย่างหนึ่งนีอันนั้นเราทำครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะต้องคิดต้องพิจารณาว่าจะเอาอยัางไงนีแต่ต่อไปพอครั้งที่สองที่สเนี่ยเราจะเริ่มทําโดยที่ว่าแทบจะไม่ต้องคิดใช่ไหม เพียงแต่ตั้งใจนิดเดียวแต่ก่อนครั้งแรกนี่อจะต้องคิดอยู่นานและลังเลว่าจะเอาไงพอต่อไปครั้งที่สองเริ่มจะไม่ต้องคิดละคิดน้อยต่อมาครั้งที่สาที่4คราวนี้แทบจะไม่รู้ตัวเลยต่อไปนี่นานๆเข้านี้ไม่รู้ตัวหรอกทำไปเลยทีนี้ความเคยชินของเราเนี่ยมันก็จะมีสองแบบที่ร้ายกับดีใช่ไหมถ้าความเคยชินไม่ดีนะเจออะไรป้าบกระดาษทันทีอย่างนี้ใช่ไหม นะอย่างนี้มันก็เกิดผลเสียกับชีวิตเขาตัวเองทีนี้ถ้าเป็นความเคยชินที่ดีนะพอพบคนนะแขกมันแปลกหน้ามาก็พูดทักทายปลาใยอ่อนหวานอันนี้มันก็กลายเป็นความเคยชินเป็นปกติที่ดีนีศีนี่ท่านเป็นเรื่องของการฝึกเพราะฉะนั้นท่านก็มุ่งเอาความเคยชินที่ดีนั้นศีลเราก็พูดได้ว่าเป็นพฤติกรรมเคยชินที่ดีหรือการที่ทาให้พฤติกรรมที่ดีนั้นกลายเป็น ปกติของเขานะีหรือของเรานี่แหละนะเอาละครพฤติกรรมสําคัญมากตรงเคยชินเนี่ยเพราะเคยชินแล้วแก้ยากเพราะฉะนั้นจึงเน้นว่าให้เราพยายามพัฒนานะพฤติกรรมของเราที่เคยชินให้ดีโดยเฉพาะเด็กๆในครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเริ่มเพราะว่าเด็กนี่ถ้าโตขึ้นติดอย่างไรแล้วก็แก้ยาก โบราณก็จะพูดด้วยว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคนแก่นี่มันอยู่ตัวแล้วพฤติกรรมนั้นสะสมมาติดตัวมาตั้ง4 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 10ี่ห6 0 70 8 0ปีจะไปแก้อย่างไงนี้ถ้าเด็กนี่มันยังไม่นานนั่นนั้นก็แก้ง่ายกว่าแต่ว่าเด็กเองขนาดว่าแค่ห้าปีนี่ก็ยังแก้แทบตายใช่มแก้แทบไม่ได้แล้วขนาด5ปีนี่ก็แย่แล้ว เพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยสำคัญมาตอนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็เด็กเพิ่งจะมาสัมผัสโลกใหม่เพราะแกสัมผัสโลกใหม่ๆแกยังไม่มีพฤติกรรมอะไรที่อยู่ตัวเคยชินแต่ว่าถ้าแกไปเจอประสบการณ์อะไรสถานการณ์อะไรและแกมีพฤติกรรมอะไรเช่นพูดจาหรือเคลื่อนไหวทำยังไงอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าลงทั้งที่หนึ่งทไปแล้วนะครั้งที่สองเริ่มมีความโน้มเอียงจะทาอย่างนั้น พอครั้งที่สก็ยิ่งแนบแน่นพอ4ีห้าต่อไปอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามีปฏิกิริยาแสดงพฤติกรรมนั้นออกทันทีโดยไม่ต้องคิดและบางทีไม่รู้ตัวด้วยใช่มเพราะนั้นนี่สําคัญมากอย่างเราพูดเนี่ยเราพูดหลายอย่างเราพูดไปเลยแล้วพอพฤติกรรมเคยชินอย่างนั้นแล้วนะต่อไปควบคุมตัวเองก็ยากเลยนะพฤติกรรมงนั้นมันจะออก ทั้งทาที่ว่ามันไม่เหมาะแต่ว่ามันเคยชินจะต้องควบคุมบงังคับตัวเองนี่โอ้โหหนักมากใช่ไหมและนั้นจะมีปัญหาอันนั้นก็เลยว่าต้องเน้นว่าทำไงจะสร้างพฤติกรรมเคยชินที่ดีให้โดยเฉพาะกับเด็กเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ดีแล้วแก้ยากต่อไปเป็นผลร้ายกับชีวิตของเขาและผู้อื่นด้วยนี่ถ้าหากว่าเขาได้พฤติกรรมเคยชินที่ดีไปแล้วสบายใจเลย นี่พ่อแม่เนี่ยมักจะไม่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้นี้ตัวเองก็อาจจะกลายเป็นเหตุของพฤติกรรมเคยชินที่ไม่ดีของเด็กไปด้วยหนึ่งจากความประมาทไม่เอาใจใส่สองตัวเองนั่นแหละตัวเองก็มีพฤติกรรมเคยชินไม่ดีในเรื่องนั้นเช่นถ้อยคําคําพูดพอเจออะไรก็พูดอย่างนั้นเด็กก็ได้ยินก็ตามใช่ไหมแส่ไปก็อันนั้นก็ถ่ายทอดไปที่ลูกด้ยการทําตามอย่างรเรียนเรียนแบบ นั่นก็เกิดผลเสียหายนี่ถ้าพ่อแม่มีสติปัญญารู้เข้าใจเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูลูก<ม>ก็จะระมัดระวังไม่ให้เด็กเอาอย่างตัวเองเรียนแบบในพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกล่าววาจาที่ไม่ดีให้เด็กได้ยินเด็กบางคนก็ติดเรื่องด่ามาแต่เล็กเล็กเลยเพราะว่าพ่อแม่ด่าให้เด็กได้ยินนั่น หรือไปได้ยินคนอื่นและพ่อแม่ก็ปล่อยเพระนั้นก็ต้องระวังเรื่องเหล่านี้เรื่องพฤติกรรมเคยชินที่ว่าสําคัญสําหรับโดยเฉพาะสําหรับเด็กๆ ก, ก็เอาแค่นี้ก่อนว่าเป็นอันว่าเรื่องศีลเนี่ยท่านเรียกอย่างนี้มันแปลว่าปกติก็มุ่งเอาการฝึกในเรื่องพฤติกรรมกายวาจาที่ดีให้เคยชินให้เป็นปกติของตัวเองหรือของเขาโดยเฉพาะตัวเราพัฒนาตัวเองให้เป็นปกติของตัวเรา เพราะโดยถือหลักว่าเคยชินแล้วแก้ยากนะแล้วชีวิตของเรานี่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราทำไปตามความเคยชินอาจจะถึง 80-90% ใช่ไหมเราทำแทบไม่ต้องคิดอันนี้ต่อไปด้านที่สองการฝึกเรื่องจิตใจทำไมเรียกสมาธิ ชื่อเต็มเรียกอธิจิตตศิกขาการฝึกด้านจิตใจยิ่งขึ้นไปแต่พอมาเรียกสั้นๆง่ายๆก็เรียกว่าสมาธิทั้งๆที่สมาธินั้นเป็นเพียงสภาพจิตอย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีของจิตเป็นเพียงอย่างหนึ่งอย่างเดียวในบรรดา 108,009 ในจิตใจถ้าไม่มาเรียกการฝึกด้านจิตทั้งหมดว่าสมาธิอ๋อก็เรียกเพราะว่าสมาธินี่เป็น องประกอบหรือคุณสมบัติสําคัญอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นแกนของการพัฒนาหรือฝึกฝนด้านจิตใจเลยเรียกอีกอย่างว่าเป็นประธานว่าไงเตะเป็นประธานของคุณสมบัติอื่นทางด้านจิตใจเพราะว่ถ้าสมาธิไม่มาหรือไม่มีบ้างเลยเนี่ยการฝึกด้านจิตใจการสร้างสารรค์คุณสมบัติที่ดีทางจิตใจอย่างอื่น ปลูกฝังได้ยากมากพัฒนาได้ยากมากแต่ว่าถ้ามีสมาธิแล้วการพัฒนาคุณสมบัติด้านจิตใจอื่นๆนี้มาได้ง่ายอะไคุณสมบัติอะไรบ้างด้านจิตใจถ้าเราใช้ศัพท์สมัยใหม่เราจะแยกเป็นคุณสมบัติประเภทคุณธรรมความดีงามเราอาจจะเรียกว่าคุณภาพของจิตใจเช่น ความมีศรัทธาความเมตตากรุณานะคือความรักความปรารถนาดีความมีมิตรีความเคารพความกตัญญูอะไรพวกนี้นะนี่เป็นคุณสมบัติเป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีงามเราอาจจะใช้คำว่าคุณภาพของจิตใจ ถ, ถ้าไม่มีคุณภาพจิตน่นก็เป็นจิตที่ร้ายจิตที่แข็งกระด้างจิตที่โกรธนะ จิตที่ลบลูแไะต่างๆเป็นต้นนี่เป็นเรื่องของอกุศลเป็นบาปเป็นเรื่องของกิเลสอันนี้เราต้องการส่วนที่ดีๆก็พัฒนาด้านดีขึ้นมาให้มีคุณภาพทีนี้อีกด้านหนึ่งคืออะไรคือเรื่องความเข้มแข็งของจิตใจความสามารถของจิตใจเช่นว่าขันติความอดทนวิริยะความเพียรความมีใจสู้ความบักบันก้าวไปข้างหน้าไม่ยอมทอ้อถอยเนี่ยความมีสติ การที่ระ ล, ลึกถันต่เหตุการณ์การที่สามารถบังคับควบคุมจิตใจได้รวมทั้งสมาธิเองด้วยความที่จิตใจตั้งมั่นมั่นคงแ น, แน่วแนะ่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆนี่ด้านสมรรถภาพจิตใจและด้านหนึ่งก็คืออะไรก็คือเรื่องของความสุขความร่าเริงเบิกบานใจความมีจิตใจผ่องใสสงบสดชื่นร่าเริงอะไรพวกนี้นะในด้านความสุข อาจจะเรียกว่าสุขภาพจิตก็เอาศัพท์สมัยใหม่มาใชนะ้ว่าเป็นคุณภาพจิตสมตรรถภาพจิตสุขภาพจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นด้านจิตใจเท่านั้นทีนี้การที่จะฝึกในด้านจิตใจอย่างที่ว่ามาเนี่ยต้องอาศรรยัยสมาธิเท่านั้นสมาธิแปลว่าความแน่วแน่หรือตั้งมัน่นสมัยเก่าเวลาเราแปลตามศัพท์ท้งพระก็จะเรียกว่าความตั้งมัน่น จิตตั้งมั่นก็เรียกว่าเป็นสมาธิตั้งมั่นนี่มันก็อยู่ตัวน่ยจิตอยู่ตัวถ้ามันยังไม่ตั้งมันมันไม่อยู่ตัวมันวอกแวกมันฟุ้งซ่านมันหวั่นไหวแกว่งไกวกระวนกระวายกระสับกระส่ายใชทีนี้พอมันหวั่นไหวนี่เหมือนกับว่าอย่างโต๊ะเก้าอี้หรือที่รองอะไรสักอย่างเนี่ย ถ้ามันไม่มั่นคงมันหวั่นไหวหรยกว่าไม่ตั้งมันเนี่ยของเล็กๆน้อยๆวางอยู่บนนั้นก็กลิ้งละเนระนาดหมดใช่ไดีไม่ดีก็หล่นเลยนะอย่างน้อยมันก็อาจจะเลื่อนไปนะลมไปอย่างที่ว่าที น, นี้คุณสมบัติต่างๆในจิตถ้าไม่มีสมาธิก็หมายความว่า ตัวรองรับไม่ดีไม่มั่นคงคุณธรรมหรือคุณสมบัติอื่นในจิตใจนั้นก็เหมือนกับว่าไม่มีที่รองที่ดีก็จะวันไหวนะอาจจะไม่มั่นคงตั้งอยู่ไม่ได้ดีนะเสี่ยงต่อการที่จะเสื่อมลงไปหรือแม้แต่ว่าล่นไปเลยนะคุณธรรมที่พัฒนาขึ้นมาได้ขาดสมาธิเดียวล่นหายไปสิแหละแต่ถ้าสมาธิ มีเหมือนกับมิที่รองรับที่มัน่นคงคุณสมบัติเหล่านั้นก็อยู่ได้เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่สงบมันกระวนกระวายมันวุ่นวุ่นวายเนี่ยความสุขมีได้ไหมใช่ไหมความสุขความสดชื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิต้องไปแกนให้ทีนี้ด้านคุณธรรมอื่นๆก็เหมือนกันถ้าจิตพลุ่งพล่านกระวนกระวายนี่เมตตา ม, มาไม่ได้ใช่ไหมมีตะโกดซีมาได้ใช่ไหมเพร า, าะนั้นความเข้มแข็ ง, ขงล่ะ จิตไม่มั่นคงไม่มีสมาธิมันไม่มีความเข้มแข็งแน่สมรรถภาพจิตก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงเอาสมาธิเนี่ยมาเป็นตัวแทนของด้านการพัฒนาจิตใจก็เลยเรียกการพัฒนาหรือศิกขาหรือการฝึกด้านจิตใจทั้งหมดด้วยคำแทนคำดีว่าสมาธิเอาสมาธิเป็นตัวแกนเป็นตัวนำเป็นประธานเลยนะเอาลนะครับเป็นอันว่านี่คือเหตุผลที่ เรียกการฝึกในด้านจิตด้วยคำว่าสมาธิทั้งๆทีท่สมาธิที่จริงเป็นเพียงคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตแต่มันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งบทบาทใหญ่ทีนี้ต่อไปก็ขันด้านที่สามก็คือปัญญาเรื่องความรูม้ความเข้าใจด้านนี้ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ความจริงนั้นปัญญาว่าไปแล้วมันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตใจนั่นเอง สมัยปัจจุบันนี้อย่างพวกวิชาการตะวันตกเนี่ยบางทีก็แยกไม่ออกระหว่างด้านจิตกับด้านปัญญาเพราะเขามองว่าเอ๊ะปัญญาก็เรื่องของจิตใจนี่ใช่ไหมยอย่างในเวลาแยกแบบขันห้าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าปัญญาเนี่ยไปอยู่ในด้านจิตใจอันนี้ยังไม่ได้เรียนเรื่องการแยกเรื่องรูปนามแล้วก็แยกเป็นขันห้าไอเรียนแล้วยังขันห้ายัางนะอันนั้นเป็นการแยก องค์ประกอบของชีวิตออกไปเป็นภาคเหมือนกับภาคของนิ่งแยกออกเป็นส่วนส่วนเหมือนกับอะนาตโตมีของชีวิตอะนาตโตมีของชีวิตนี่แยกออกไปเป็นส่วนส่วนว่ามีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยถ้าแยกแบบนั้นเนี่ยปัญญาจะไปอยู่ในภาคจิตใจแต่ยังไม่ได้เรียนก็อย่าไปถือเปสาคัญผมจะพูดให้ฟังนิดหน่อยนะฮะ ถือว่าพอได้ผ่านผ่านหูไว้คือว่าชีวิตของเราเนี่ยทางพระท่านแยกส่วนออกไปว่าเป็นการประชุมเข้าของส่วนประกอบ5อย่างหรือ5กองหประเภทมีรูปรูปประทมฝ่ายร่างกายแล้วก็เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความกำหนดหมายที่ทำให้จำได้หมายรูปเขียวแดงเหลืองเป็นต้นแล้วก็สังขารคุณสมบัติ ที่ปรุงแต่งจิตใจนะให้ดีให้ชั่วแล้วก็วิญญาณตัวรู้รู้เห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นทีนี้ปัญญาเนี่ยก็ไปอยู่ในสังขารเครื่องปรุงจิตปรุงแต่งให้จิตดีจิตชั่วจิตมีกำลังมีความสามารถหรือทำให้จิตอ่อนแอเป็นต้นจะเห็นว่าปัญญาไปอยู่ในหมวดเดียวกันเรื่องเครื่องปรุงของจิตเลยใช่ไหมอยู่ในสังขาร ก็อยู่ในพวกจิตปนๆกันอยู่แต่ทีนี้พอมาแยกแบบการพัฒนาชีวิตเป็นสามด้านการดาเนินชีวิตเป็นสด้านกลับแยกเป็นพฤติกรรมจิตใจและปัญญาี่ปัญญาออกมาใหญ่เลยนะเดิมเป็นตัวเดียวในเครื่องปรุงจิตนั้นเองออกมาเป็นตัวบทบาทใหญ่อันนี้คล้ายๆกับสรีรวิทยานะทับเทียบแพทย์ ถ้าแยกเป็นขันห้าเหมือน omy, <c oughs> <c oughs> này, นาโ t ม m y เข้าใจไหม anatomy ในหมายความว่าเป็นการแยกส่วนร่างกายว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างเหมือนของตายเนเะหมือนของตายมาแยกส่วนออกแต่สรีรวิทยานี่ก็คือการทำงานของร่างกายระบบความสัมพันธ์มันทำไงไนี่ทาหน้าที่อะไรต่างก็เหมือนกับคล้ายๆกับเรื่องของการดาเนินชีวิตนี่เราแยกเป็นสามด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญานะ ทีนี้พอมาแยกแบบด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเป็นสามด้านก็ปัญญาเป็นตัวสำคัญทํามาแยกออกันมาล่ะก็เพราะว่าปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่อย่างยิ่งเลยนะจิตใจมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติอยู่ภายในนะเป็นเรื่องของตัวเองแต่ปัญญานี่เป็นเรื่องที่จะก้าวออกไปสู่จักรวาลโลกทุกอย่างเลยที่จะรู้เข้าใจอะไรต่างๆนะ แดนใหญ่พิธามิทม่ ท, ที่มีงานมีขอบเขตมากมายเหลือเกินเรื่องปัญญาเรื่องเดียวใช่ไหมเนีแล้วมนุษย์จะพัฒนาได้ชีวิตจะดีงามเนี่ยมันขึ้นต่อปัญญาเป็นสําคัญตลอดจนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนะี่ยจะพัฒนาวิชาการแม้แต่วิชาการทางโลกอาชีพต่างๆวิทยาศาสต ร, ร, ร์นิติศาสต ร, ร, ร์รัฐศาสต ร, ร์อาศัยปัญญาทางนั้นเะนั้นปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะีที่ออกมาสู่ เรื่องของการสร้างสรรค์ในโลกของมนุษย์เลยต่างๆะนั้นปัญญาก็แยกเป็นด้านสําคัญตั้งหา้าก็ไปเลยนะแทบจะว่าใหญ่ก็ด้านจิตอื่นที่มีองค์ประกอบเป็นร้อยๆนันะนะปัญญาไปโยงไปหาหมดเป็นตัวบอกหมดจะให้เจ้าตัวไหนทําหน้าที่อะไรจะทํางานยังไงจะควบคุมจะจัดยังไงหมดเลยใช่ไหมไอ้เจ้าตัวอื่นจะทําไงก็รับใช้ปัญญาถ้าปัญญาดีสัอย่างไอ้เจ้าปัญญาบอก บทเสร็จหมดใช่ก็เลยแยกปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เป็นแดนหนึ่งของพฤติกรรมแล้วเป็นแดนที่สูงสุดเลยเอานะฮะทีนี้แปลว่านี่ด้านปัญญาทีนี้ด้านปัญญานี่ก็มีทั้งปัญญาที่รู้เรื่องที่มนุษย์จัดสรรตกลงกันยังไงเพียงแต่ว่าเออตามวัฒ น, นธรรมประเพณีระบบแบบแผนจัดตั้งที่เราเรียกว่าวินัยนะ่ สืบสืบถ่ายทอดกันมาวางเป็นตายตัวแล้วเราก็รู้ไปตามนั้นแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติดําเนินชีวิตได้ใช่ไหมนี่ปัญญารู้เรื่องตามที่มนุษย์ตกลงกันทั่วไปอันนี้เป็นเรื่องสามันแต่แค่นี้ก็สําคัญแล้วเพียงแต่เรียนรู้สิ่งที่มนุษย์ได้จัดวางตั้งไว้เพื่อจะให้สังคมของตัวอยู่กันได้เนี่ยแค่นี้ก็เรียนกระทับตายใช่ไหมนี่ก็ด้านหนึ่งละทีนี้ ปัญญาที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือรู้เข้าไปถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่มนุษย์มาตกลงกันจัดวางนี้ใช่ไหมเนี <Yeah. S 1> เบื้องหลังในกอในข อ, น, น, น, ขอนี่เนี่ยในกอในขอนี่ก็เป็นเรื่องความรู้ในระดับที่มนุษย์จัดตั้งใช่ไหมว่าคนนั้นชื่อกอคนนี้นชื่อขอเป็นความรู้ระดับสมมติระดับวินัยเท่านั้นแต่เบื้องหลังในกอในขอคืออะไรนั่นคือชีวิตคนที่แท้จริงอยู่ในธรรมชาติใช่ไหม มีจิตใจโอ้มีสภาวะยังไงเกิดมาได้ยังไง ร, ร่างกายเขาเกิดจากอะไรมาประกอบทําไมเขาจึงเกิดมาได้น่ยแล้วเขาชีวิตของเขานอกจากกายมีด้านจิตใจจิตใจเป็นยังไงโอ้กฎธรรมชาติมันโยงไปหาสิ่งต่างๆรู้เข้าไปถึงความจริงของธรรมชาติอันนี้นี่ลึกซึ้งมากใช่ไหมฮะอันนั้นก็แปลว่าเราจะดําเนินชีวิตธรรมดานี่ปัญญาในระดับรู้เข้าใจสิ่งที่มนุษย์จัดตั้งวางระบบไว้นี่พอแหละ ก็เป็นมนุษย์แค่นี้ก็ทำให้มันดีเหอะให้อยู่ในให้อยู่ในแนวทางที่มนุษย์ผู้มีปัญญาได้วางไว้แล้วก็สังคมก็ได้ถ่ายทอดกันมาลงตัวยอมรับว่าอันนี้ดีเป็นประโยชน์แต่ว่ารู้แค่นี้พอจริงไหมไม่พอเพราะว่าแค่นี้นะบางทีไม่รู้เหตุรู้ผลเขาวางทําไมเป็นเพราะอะไรจึงวางอย่างนี้และที่มนุษย์รุ่นเก่าวางไว้ต่อมาสังคมเปลี่ยนแปลงนะ อาจจะไม่เหมาะก็ได้ใช่ไหมหรือว่าอาจจะวางในความเข้าใจผิดพฤติกรรมระบบสังคมอย่างของฝรั่งเรนนี้ที่รู้ตัวว่าวางมาต้อง 2,000 ปีบางอย่างก็ผิดใช่ไหมทำให้เกิดโทษกับชีวิตทีนี้ถ้าไม่มีปัญญารู้ความจริงธรรมชาติลึกซึ้งกว่ากว่านั้นแก้ไม่ได้ใช่ไหมก็ไปเป็นทาตของอารยธรรมเป็นทาตของวัฒนธรรมเก่านั้นก็เลยต้องมีปัญญาที่รู้ถึงความจริงของธรรมชาติแท้ซึ่งเป็นความจริงแน่นอน เป็นระบบความสัมพันธ์ในธรรมชาติอันนี้ที่ยิ่งใหญ่นี่คือความรู้ที่ว่าสามารถทาให้เป็นพระพุทธเจ้าได้รู้โลกชีวิตตามเป็นจริงนะอันนี้ก็แปลว่าอย่างน้อยก็แยกปัญญาสองระดับแหละใช่ฮะระดับที่เกี่ยวกับเรื่องที่มนุษย์จัดวางตั้งให้เดินโดยชีวิตกันได้สามันในสังคมแล้วก็ปัญญาที่รู้เข้าถึงความจริงที่เป็นปรมัตา์เป็นความจริงแท้นะตามกฎธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีปัญญาที่ตื้นลึกกว่ากันเยอะแยะใช่ไหมปัญญาในแง่ของการรู้ข้อมูลเข้าใจสิ่งที่มองเห็นเฉพาะหน้านะรับรู้สิ่งต่างๆรับรู้เข้าใจตามเป็นจริงไหมนะไม่ใช่ดูตามชอบใจชอบไม่ชอบใจนะแค่นี้รับรู้ก็มีเรื่องปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องรู้เข้าใจมันต่อไปก็รู้ลึกลงไปอีกนะสามารถคิด เชื่อมโยงสิ่งโน้นสิ่งนี้ข้อมูลโน้นข้อมูลนี้นะไม่ใช่เมื่อกี้นีนรู้ข้อมูลนั้นเข้ามันนั้นเฉพาะแต่และอย่างก็เข้าใจต่อมาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นอีกใช่ไหมเออนอกจากรู้ว่าคืออะไรแล้วรู้ว่าเป็นอย่างไรอีกนะต่อไปยังรู้ว่าเป็นเพราะเหตุอะไรอีกสามารถสืบสาวเหตุปัจจัยที่สืบเนื่องกันมาใช่ไหมต่อไปก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็นอกจากวิเคราะห์อย่างวินิจฉัยอีก วินิจฉัยว่าเนี่ยมันมีทางเลือกอย่างเงี้ยเอาอยัางไงเนี่ยอันไหนจะดีที่สุดเอาวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ยการวินิจฉัยนั่นก็จะมีปัญหาอีกเช่นว่าทางด้านจิตเข้ามาเช่นว่าวินิจฉัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องคนเนี่ยก็จะมีว่าเอ๊ะเกิดต้องการผลประโยชน์น่ยหรือมีความลําเอียงน่ยก็จะวินิจฉัยไม่เที่ยงธรรมไม่ตรงความจริงหรือมีความโกรธแค้นาการวินิจฉัยก็จะผิดพลาด อพรนั้นก็จะมีเรื่องของด้านจิตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดนอกจากพฤติกรรมไปหาข้อมูลแล้วด้านจิตใจก็จะมาครอบงามทําให้ปัญญานี้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ทํามาครอบงามถูกกิเลสครอบงามฝ่ายจิตใจก็มามีอิทธิพลต่อฝ่ายปัญญาทําให้ไม่ได้ไม่ได้ความจริงแท้หรือไม่ถูกต้องนะไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะนั้น ปัญญาก็จะมีเรื่องต้องทาเยอะแยะนแล้วก็มาปัญญาที่มาใช้แก้ปัญหาเกิดไปพบสถานการณ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนเกิดติดขัดคับข้องขึ้นมาอันนี้สถานการณ์นี้ใหม่ไม่เคยเจอแล้วจะเอาความรู้เก่าที่เรียนรู้มาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ยอย่างไรใช่แก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องมีความสามารถในการที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ตลอดจนก็จะขั่งคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ นะทำสิ่งที่ไม่เคยทำก็เอาความรู้เดิมนั่นแหละมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาเป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เนี่ยปัญญามีเรื่องเยอะเลยจนกระทั่งในที่สุดก็รู้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติของชีวิตที่แท้ระบบความสัมพันธ์ในธรรมชาติหมดกว้างขวางจนกระทั่งตรัสรู้โพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าไปนะา น, นี่แหละครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แยก เรื่องการพัฒนาชีวิตของมนุษย์3ด้านเป็นศีลสมาธิปัญญาแทั้ง3อย่างนี้สัมพันธ์เกื้อหนุนกันอย่างไรก็ได้อธิบายไปแล้วไปเรื่องฝึกนี่ก็เมื่อฝึกเราต้องฝึกให้มันดีนี่นะแล้วอย่างที่คำว่าวาสนากับคำว่าศีลเนี่ยมันใกล้เคียงกัน วาสนามันคำกลางๆมันดีายก็ได้ใช่ไหมวา ส, สนาไรไรไงพูดกับโฉกหกห่างหรืออะไรอย่างเงี้ย ม, ม, มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องฝึกคือว่าซีนี่เป็นเรื่องของการฝึกโดยตั้งใจทําให้มันดีใช่ไหมส่วนวาสนาเป็นการสั่งสมของคนนั้นรวมๆกันไปใช่ไหมเลวก็ได้ดีก็ได้เ็พฤติกรรมเคยชินกันเยอะพฤติกรรมเคยชินแต่ว่ามันไม่ได้ประกอบด้วยความตั้งใจในกระบวนการฝึกคนนะเพราะฉะนั้นเราจึงเอา เรื่องศีลเข้ามาประยุกต์ใช้ในวาสนาเพื่อปรับวาสนาให้มันดีไงเ <ผม S 1> ข้าใจ <ผม S 1> ฮะผมเลตั้งข้อสังเก<ะ>ตว้อย่างอารหันเนี่ยฮะก็อัติศีลเนี่ยก็ต้องสมบูรณ์แล้วทำไมทาไมในพระสูตรบอกว่าแม้กระทั่งอารหันนี่ก็ยังติดในวาสนาวา<ะ>สนาบางส่วนก็ยังเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เน<ะ>ื่องคงสามมาสามพุธธทธเจ้าอ่าก็ใช่สิอ่าก็ไม่ใช่หมายความว่าฝึกศีลแล้วมันจะกลายเป็นดีไปหมดนะใช่ไหมฮะ ก็ตัวติดมาเคยชินอย่างนั้นท่านบอกว่าเคยชินขนาดละเอียดวบบนี้นี่แกไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรีบไงใช่ไหมเด็กๆเกิดมาก็รีบให้ฝึกให้เป็นศีลที่ดีไปซะสิเพราะงั้นเราวาสนามาทีนี้แย่ไปเลยก็นว่าวาสนานี่ก็หมายความว่าแก้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันแก้ยากแก้ได้แต่หยับหยาบทีนี้พอมันลึกละเอียดแก้ไม่ไหว แกได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแก้หมดคือมายก็ท่านเรียกว่าละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาทั้งหมดพระพุทธเจ้าแต่พระอาหันตนีละวาสนาได้ไม่หมดนขนาดที่ฝึกศีลมาฝึกจิตฝึกปัญญามาอย่างดีก็ ย, ยังละวาสนาได้ไม่หมดไอ้ส่วนที่มันเป็นความเคยชินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ไม่ถึงกับเป็นภัยอันตรายท่านบอกว่าละไม่ได้วาสนาก็เป็นของรวมๆจากการสะสมของคนนั้นไม่ว่าดีว่าร้าย นี่ศีลนี่เป็นอย่างที่ว่าเป็นเรื่องความตั้งใจฝึกตอนนี้มาถึงเรื่องของสมาธิก็นอกจากฟังคนที่ฝึกสมาธิแล้วเนี่ยเป็นมากบางสายหรือบางสำนักเนี่ยก็รู้สึกดีใจรับภูมิใจที่ว่าฝึกแล้วเนี่ยตัวเองได้มีมดได้มิตถวเรื่องของสมาธิ น, นะที่เกิดนิมิตต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบางคนนะฮะก็ได้ความสงบจตไม่เกิดนิมิตเลยอ ก็อยากจะรอ้องเอออยากจะขอคุณ เ, เรียนถามพระเดชพคุณอาจารย์ว่าจริงจรงแล้วเนี่ยมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ในการทำสมาธิเนี่ยต้องมีนิมิตเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่เกิด น, นิมิตจะมีความสงบที่หมายความว่าร่มเร็วไหมนะท่านในเรื่นนองนี้ลักษณะครับเอาตามมาสูตรจำเป็นแค่ต้องการทําสมาธิต้องเกิดนิมิตเอางี้ก่อนนิมิตมีสองอย่างโดยหลักใหญ่แต่ก่อนที่จะพูดถึงนิมิตสองอย่างนะพูดถึงฝันก่อน คนฝันนั่นเรียกว่านิมิตภาษาพระเรียกว่านิมิตนะคําว่าฝันเนี่ยสิ่งที่มองเห็นในฝันเรียกว่านิมิตแล้วคนหลับฝันก็คนหลับไม่ฝันได้ดีกันอ้าวใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติบำเพ็ญสมาธินี่เห็นนิมิตก็ไม่เห็นนิมิตได้ดีกันอ้าวเนี่ยก็หลับไม่ฝันมันก็แสดงจิตมันก็ราบเรียบมันก็ไปได้ดี นี่ไอ้นิมิตจะเป็นตัวที่ทําให้วุ่นทำให้จิตมันถูกถูกทําให้ไหวหรือว่าทําให้ไม่เรียบไม่รื่นแต่ว่าอย่างพี่บอกเมกื่อกี้นิมิตมีสองอย่างเราต้องระวังมันมีนิมิตอย่างหนึ่งที่จําเป็นเพราะมันเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวปฏิบัติเป็นนิมิตของกรรมฐานนั่นเองนิมิตของสิ่งที่เรากําหนดเพื่อใช้ในการฝึกสมาธิอันนั้นนิมิตนั้น สำคัญนะนนมิตอื่นที่แทรกเข้ามาในระหว่างนั้นเป็นตัวโกนท่านั้นนะเป็นตัวที่เป็นตัวอาจจะเป็นเพียงอาการปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่จิตมันไปสู่ระดับนะั้นระดับนั้นมันมีการปรุงแต่งนะก็เป็นภาพขึ้นมาอันนี้มันมีนิมิตอันหนึ่งที่เป็นนิมิต ท, ที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่เรากําหนดใช่ไว่าเราเพ่งกับศีล แล้วหลับตาไปไอตัวกสินนั่นเองท่านก็นเรียกว่านิมิตนะแล้วเราหลับตามองเห็นนั่นก็นเรียกว่านิมิตจนกระทั่งมาติดใจนะมันก็มาเป็นตัวแทนของตัวกสินข้างนอกคราวนี้ไม่ต้องลืมตามองละหลับตาเอาเลยก็อยู่ในใจเห็นภาพกสินนั้นอันนั้นก็นเรียกว่านิมิตแล้วก็ลมหายใจเมื่อเรากำหนดลมหายใจไปต่อไปมันก็เป็นภาพลมหายใจขึ้นมา จากการปรุงแต่งของจิตภาพลมหายใจเกิดขึ้นไม่ต้องคือจิตก็มาอยู่กับภาพลมหายใจละภาพของลมหายใจอันนั้นเรียกว่าเป็นนิมิตของกรรมฐานนิมิตของอารมณ์กรรมฐานอันเนี้ยมีความสําคัญในการปฏิบัตินี่แหละนิมิตก็เลยต้องแยกเป็นสองอย่างนิมิตภาพอื่นที่แทรกเข้ามาในระหว่างเห็นเป็นผีเห็นเป็นยักษ์เห็นเป็นแสงอะไรต่างๆนั่นเป็นนิมิต ท, ที่ ถือว่าเข้ามากวนต้องรู้ทันแต่นิมิตที่เป็นตัวแทนของกรรมฐานที่เราปฏิบัติอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเลยแยกได้แล้วนะจะรู้ได้อย่างไรนะ ว, ว่าอันนี้เป็นนิมิตที่เราใช้กรรมก็ไม่ยากอะไรก็มันเป็นตัวแทนอยู่แล้วมันก็เหมือนกับของนั้นอยอย่า ง, ง, <c oughs> ง, งตัวอนานาปารสติ น, นะาการที่ออเอาลมหายใจเป็นนิมิตนะฮะนิมิตจะเกิดเป็นตัวแทนของลมหายใจจะเป็นลักษณะไห น, น เ, เป็นลักษณะที่ เจ้าตัวต้องรู้เพราะมันเป็นตัวแทนมาตัวกําหนดลมหายใจจิตมัน้วยไปไหนมันก็เป็นภาพของสิ่งนั้นตัวก็รู้อยู่แล้วเป็นภาพของอันนั้นแต่ตัวจะเห็นเป็นภาพอะไรแล้วแต่ตัวรู้สึกเมื่อตัวรู้สึกลมหายใจเหมือนกับเป็นสายรุ้งหรืออะไรงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นภาพอย่างนั้นขึ้นมาเท่านั้นเองว่าเจ้าตัวรู้เองอ่ะไม่ต้องไปกลัวเรื่องนี้นะถ้าว่ามันเป็นภาพตัวแทนสิ่งนั้นจิตของตัวอยู่กับสิ่งนั้นนี่ภาพมันก็เกิดจากสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นตั้งแยกนี่มีสองอย่าง เพราะวังสํานักนี่ถึงขนาดที่ว่าคำนวณต่อได้เลยว่าถึงขั้นนี้ขั้นนี้จะมีนี้มีเป็นลักษณะเป็นดวงสีนี้สีนี้ถ้าถึงขั้นส<า>ูงจะเป็นดวงสี ส, ซซซซซซซ ส, สีซึ่งซึ่งผมศึกษาแล้วอ่าแล้วรู้สึกรู้สึกว่าเออไม่จําแต่คาดขึ้นแต่ความเป็นจริงเทนั้นก็กลายเป็นว่าไปสร้างภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติตั้งแต่ก่อนปฏิบัติแล้วอันนี้จะฝังใจแล้วเวลาไปปฏิบัติจริงๆจะเกิดเห็นขึ้นมาเพราะมัน<า> มันนำจิตของตัวเองแล้วเรียกว่าเหมือนกับสะกดจิต <c oughs> ใการนำจิตนำจิตให้เชื่ออย่างนั้นหรือมันมันแนบสนิทอยู่ในความคิดฝังอยู่ในความคิดเวลาไปปฏิบัติมันก็เลยออกมาเป็นภาพนะทีนี้ขอกลับมาที่เก่านะทีนี้ว่า ได้พูดไปแล้วว่าการฝึกเรื่องพฤติกรรมจิตใจและปัญญาหรือสีสมาธิปัญญาเนี่ยมันสัมพันธ์เกื้อหนุนกันอยู่เพราะฉะนั้นมันแยกเด็ดขาดจากกันไม่ได้แต่ว่าทำไมเวลาท่านมาพูดเป็นใจสิกขาทำให้เรารู้สึกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนก็มีสมขั้นเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญา อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าควรจะพิจรารณา ในความเป็นจริงบอกแล้วว่าสอย่างนี่มันแยกขาดจากกันไม่ได้มันเป็นชีวิตอันหนึ่งอันเดียวกันไปแยกได้อย่างไงอย่างที่บอกพฤติกรรมทุกครั้งปราศจากจิตใจได้ไหมไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมันจากในจิตใจแล้วปราศจากความรู้ได้ไหมก็ไม่ได้รู้แค่ไหนก็ทําได้แค่นั้นใช่ไหมเออที่เราจะพูดแต่ละครั้งนี่มันต้องมีความรู้อยู่นะนะแล้วเราก็พูดได้แต่ว่าเราจะรู้แค่ไหน เราก็พูดได้แขนนั้นเพราะนั้นมันแยกกันไม่ได้แล้วทําไมเวลาฝึกท่านบอกว่าฝึกขั้นศีลฝึกขั้นสมาธิฝึกขั้นปัญญาอันนี้ก็หมายความว่าแยกในแง่ของความเด่นในช่วงแรกนั้นการฝึกซึ่งที่จริงในชีวิตของเราเนี่ยสมอย่างมันทางานด้วยกันแต่ว่าความปรากฏออกมาเนี่ยมันจะเด่นชัด สำหรับขั้นต้นเนี่ยจะเด่นชัดด้านพฤติกรรมซึ่งเป็นของหยาบกว่าใช่ด้านพฤติกรรมนี่จะเด่นแล้วคนจะฝึกตอนแรกแรกนี่มันก็ต้องเอาที่พฤติกรรมภายนอกเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่รู้จักดาเนินชีวิตเลยการที่จะดำเนินชีวิตไปได้ก็คือเริ่มต้นในพฤติกรรมอย่างที่เรียกว่าถ้าเรามีเครื่องมือก็ฝึกการใช้เครื่องมือก่อน กายวาจาที่เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิตของเราก็ใช้ให้มันเป็นก่อนก่อนที่จะเอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์อะไรมากมายเนี่ยตอนแรกต้องใช้เป็นก่อนใช่ไมนี่พฤติกรรมยังไม่รู้จักใช้เลยเพราะฉะนั้นตอนแรกอย่างน้อยต้องฝึกใช้มันก่อนใช้ร่างกายใช้วาจาให้เป็นพอใช้อย่างน้อยใช้ได้เอาแค่ใช้ได้ก็ยังดีเพราะถ้าหากไม่ฝึกเลยเนี่ยใช้ก็ไม่ได้นะครับ ร่างกายวาจาเนี่ยใช้ไม่ได้พอเริ่มฝึกก็ใช้ได้ต่อไปใช้เป็นแล้วก็ใช้ทําประโยชน์ได้มากขึ้นแต่การที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นต้องอยู่ที่จิตใจและปัญญาใช่ไหมแล้วตอนแรกใช้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเลยต้องจําเป็นต้องฝึกเน้นเรื่องพฤติกรรมก่อนนะเหมือน ก, การที่ว่าเราได้เครื่องมือมาก็ต้องฝึกใช้ให้มันใช้ได้ก่อนได้รู้ว่ายังไงให้คนเอาเครื่องมือไปใช้ในสถานการณ์ในเวลาไหนใช้อย่างงี้ ต่อไปพอชำนาญแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ด้านภายในจิตใจและปัญญาจะสําคัญยิ่งขึ้นใช่ไหมตอนแรกก็เลยเรื่องของพฤติกรรมเด่นหนึ่งและเป็นของหยาบกว่าสองเป็นเครื่องมือเป็นเบื้องต้นนะก่อนที่จะก้าวไปสู่ด้านจิตใจและด้านปัญญาอันนี้ขอบเขตก็แคบนะเรื่องพฤติกรรมวาจาเนี่ย มันเป็นของหยาบแล้วก็ขอบเขตอ็มันแคบฝึกไปในระยะหนึ่งแล้วมันจะอยู่ตัวต่อจากนั้นเนี่ยถ้ามันเคยชินอย่างที่ว่าแก้ยากอันนั้นก็เลยต้องเอาซะก่อนเดี๋ยวมันจะเคยชินในทางผิดอันนั้นเรื่องการฝึกเรื่องพฤติกรรมในเหตุผลหลายอย่างที่จะต้องเน้นให้ความเด่นชัดในตอนแรกหมายความว่าเราดมด้านจิตใจและปัญญามาเอาเรื่องกับพฤติกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่ามีแต่พฤติกรรมฝึกไปได้ที่ไหนถ้าไม่มีจิตใจและปัญญาแต่ตอนแรกเราต้องเน้นเหมือนกับระดมทั้งจิตใจและปัญญาเนี่ยมาอยู่ที่การฝึกในเรื่องพฤติกรรมว่าทำไงพฤติกรรมมันจะดีมันจะใช้ได้เครื่องมืออุปกรณ์นี่จะได้ใช้ประโยชน์ได้ดีต่อไปข้างหน้าเพราะเราอยากใจจะเอาไอ้ร่างกายและวาจางเหล่านี้ไปเป็นอุปกรณ์ใช้งานต่อไปในการดำเนินชีวิตอีกเยอะแยะรวมทั้งไปจิตไปฝึกจิตใจฝึกปัญญาด้วยใช่ไหม ตกลงว่าเรื่องฝึกพฤติกรรมหรือศีจึงเป็นสําคัญในตอนแรกปรากฏชัดเหมือนก็เป็นพื้นฐานหรือเป็นอุปกรณ์ไว้ทีนี้พอขั้นที่สองด้านจิตใจนี่ขยายกว้างขวางแล้วทีนี้แล้วเป็นเรื่องละเอียดประณีต น, นี่พอฝึกเรื่องร่างกายใช้พฤติกรรมอยู่ตัวแล้วเรื่องจิตโอ้ยังยุ่งยังเยอะแยะเลยเกินนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะต้องฝึกกันไปอีกนานเลยเชื่อไหมเพราะฉะนั้น ฝึกพฤติกรรมอยู่ตัวแล้วนี่จิตยังไปอีกไกลทีนี้พอฝึกจิตได้เก่งนะจกนกระทั่งอยู่ตัวมีสมาธิดีแล้วนะก็เป็นจิตที่พร้อมจะใช้งานและจะไปเป็นฐานของปัญญาอีกทีนี่คล้ายๆกับว่าพฤติกรรมนี่อยู่ตัวก็มาฐานรองรับจิตดีแหละแล้วจิตใจนีฝึกดีแล้วก็ไปเป็นฐานรองรับการใช้ปัญญาอีกใช่ไมสมาธิจิตดีแล้วสงบ แน่วแน่มั่นคงไม่มีอะไรกวนจะใช้ความคิดจะปลูกฝังพัฒนาปัญญาก็ได้ผลดีแต่ว่าขนาดจิตอยู่ตัวดีแล้วนะฝึกจิตได้ดีแล้วเรื่องที่ปัญญาจะต้องรู้อีกมากมายเหลือเกินเช่อไหมนั่นเราคิดดูสิอะไรขอบเขตกว้างกักนถ้ามองในแง่าขาวความแคบความกว้างเนี่ยไอ้เรื่องพฤติกรรมมันแคบก็เยอะเลยใช่ไหมเพราะใแดงของจิตใจนี่โอ้โหเรื่องละเอียดอ่อนไปเยอะเลย เพราะจิตใจอยู่ตัวและเรื่องปัญญายังไปอีกเยอะกว่าเยอะเพราะปัญญานี่มันรู้ไปทั้งจั ก, กรวาลเลยไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะนั้นเรื่องปัญญาก็มองในความแคบความกว้างมันก็กว้างกับเขานะแล้วมันต้องอาศัยทั้งพฤติกรรมและจิตใจเป็นฐานเป็นเครื่องมือหมดเลยเพราะนั้นก็เลยพูดไปตามลาดับนี้เป็นอันว่าในการฝึก หรือศิขานี้เด่นชัดตอนแรกก็เด่นที่พฤติกรรมกายวาจาที่เรียกว่าศีลแล้วก็มาขั้นที่สองเมื่อเอากับพฤติกรรมพออยู่ตัวพอสมควรแล้วใช้ได้ตอนนี้ก็จะมาเน้นเรื่องจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่ยังอีกกว้างขวางยังต้องฝึกพัฒนากันอีกมาเพราะฝึกจิตใจลงตัวอยู่แล้วเรื่องปัญญายังไม่จบใช่ไหม เรื่องปัญญายัางไปอีกเยอะแยะมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายกว้างขวางพิสดาร ล, ละเอียดลึกซึ้งนะแต่ในทุกขั้นตอนจะเห็นว่าทั้งสมอย่างเนี่ยทำงานด้วยกันใช่มดังนะัถ้ามองแต่ละจุดแต่ละตอนเนี่ยมันทํางานอยู่ทั้งสมอย่างนะแต่ถ้ามองเป็นขั้นใหญ่ๆเราจะแยกได้เลยเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาเอานะฮะคิดว่าคงจะชัดเจนไหม ว่าในแง่ของการที่ว่ามันอาศัยทำงานด้วยกันนี่ก็แน่นอนทุกขณะไปได้วยกันแต่ในแง่ของการแยกเป็นช่วงกว้างก็จะแยกได้เช่นเดียวกันว่าเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญานะทีนี้ในการฝึกคนเพื่อจะให้คนพัฒนาไปได้ดีเนี่ยเราก็ใช้หลักที่ว่าสามอย่างเนี่ยมันทางานด้วยกันเนี่ยเอามาฝึกให้มันได้ผลดีเลย ให้มันไปด้วยกันเลยเราเองก็ตามหรือเราจะฝึกเด็กจะเคลื่อนไหวทำพฤติกรรมอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็เอาสีสมาธิปัญญามาใช้แล้วฝึกมันสะทีเดียวเลยมันจะได้ได้ผลดีไม่ใช่ทำไปอย่างที่ว่าจับพลัดจับผูกก็ได้เกิดมันไม่บังเอิญไม่พอเหมาะมันก็ไม่ได้ เ, เนี่ย ทไํไในความรู้เข้าใจก็ฝึกได้ผลเวลาจะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าเด็กมาอา้าวครูจะให้จัดกิจกรรมอย่างหนึ่งก็มาฝึกให้ครบนะช่ว่าอา้าวมาช่วยกันพิจารณาดูสิว่ากิจกรรมที่เราจะทาเนี่ยมองในแง่ศีนะกิจกรรมที่เราจะทํเนี่ยมันจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมกายวัติกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยนะมัน ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าหรือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างสรรค์ใช่ไหมกิจกรรมทุกอย่างนี้มองได้ถ้าเป็นกิจกรรมที่เสียศีลก็คือมันจะก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนใครก็นะ่ะก็มองดูเออกิจกรรมของเราที่จะทําวันนี้ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนกับใครแต่เป็นการสร้างสรรคนะ์น่ะเป็นไปในทางที่ดีเกื้อกูลต่อสังคมเพื่อนมนุษย์ได้และเรื่องศีนต่อไปกิจกรรมเดียวกันนี้มองด้านจิตใจจิตใจเราเป็นไง จิตใจเราที่จะทํากิจกรรมเนี่ยเรามีแรงจูงใจว่าคิดจะทํากิจกรรมนี้เพื่อหาผลประโยชน์เห็นกับตัวหรือทำได้ขัดเคืองใครนะทำได้จิตโลภหรือโกรธหรือเปล่าหรือมีความเรียกว่ามีความสุขหรือความทุกข์จิตใจคุณน牟เศร้าหมองหรือจิตใจผ่องใสล่าเรื่องเบิกบานมีความสุขที่จะทําใช่ไหมพินาศได้ทีนี้ถ้าจิตมันไม่ดีก็ปรับซะให้มันดีบอกว่าเราจะทํากิจกรรมทั้งทีนะ จิตใจของเราทําด้วยแรงจูงใจที่ดีอยากจะทําประโยชน์นะทํำด้วยเมตตากรุณาทำด้วยความสุขสดชื่นนะนี่ได้จิตได้แหละต่อไปได้ปัญญ า, า, ากิจกรรมอันเดียวกันนี้ที่เรากำลังจะทำอยู่นี้เรามีความรู้เข้าใจมันดีหรืออย่างนะรู้เข้าใจรายละเอียดเข้ามันกันตอนกระบวนการนะรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็รู้ว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรแล้วเรารู้ว่าเหตุผลไหมว่าเราทําเพราะเหตุผลอะไร การกระทำของเราสมเหตุสมผลไหมน่จะมีผลดีผลร้ายตามมาอย่างไรใช่ไหมนี่เรียกว่าในด้านปัญญานี้ถ้าหากว่าปัญญามันยังไม่ชัดก็จะได้พัฒนาสตตอนนั้นเพราะทำกิจกรรมนั้นปั๊บพร้อมเลยได้ทั้งศีลสมาธิปัญญาได้ผลดีพัฒนานา่หรือจะใช้ตรวจสอบก็ได้เราทำอะไรไปแล้วเออในแง่ศีลเป็นอันว่าเบียดเวียนเขาหรือเกื้อกูลน่ในด้านจิตใจสภาพจิตของเรา วีโลภภตัสะหรือว่ามีความเมตตากรุณาหรืออะไรหรือดีอเปล่าแล้วก็จิตใจของเรามีความสุขหรือมีความทุกข์เบิกบานผ่องใสหรือเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนใช่ไมได้ได้ปัญญารู้เหตุรู้ผลเข้าใจต่างๆชัดเจนทีนี้เราก็ใช้ตรวจสอบแล้วเราก็วางแผนที่จะปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นถ้าหากว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมนี่ดำเนินไปได้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ก็พัฒนาแ น, น่ใช่ไหม และเกิดผลดีแน่นอนก็ตกลงว่าเอาศีลสมาธิปัญญาใจสิกขานี้มาฝึกในการดําเนินชีวิตในการประกอบกิจกรรมทุกอย่างเลยโดยเฉพาะครูเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยในการสัมพันธ์กับเด็กนี่จะฝึกเด็กได้ดีมากนีเดี๋ยวนี้เราไม่ได้คิดกันเลยไม่เดีพิจารณาทางนั้นทํากิจกรรมมาสักแต่ว่าสนุกก็แล้วกันจบมันก็เลยเป็นเรื่องโลภะโทสะโมหะอะไรไปตามเรื่องน ก็ไม่ค้าได้อะไรก็เห็นจะพอสมควรนะฮะวันนี้เนะเป็นเรื่องแง่มุมต่างๆของตจสิกขาถ้านึกอะไรออกค่อยมาพูดกันใหม่